วิปัสนาอาศัยวิปัสสนึกมีผู้กราบเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับแนวทางในการพิจารณาธรรมก็กำหนดรู้ไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆถ้าเวลาเราอยู่ในสมาธิจิตสงบแล้วเราไม่ต้องไปพิจารณากำหนดรู้เฉยๆเราจะพิจารณาต้องพิจารณาตั้งแต่จิตยังไม่มีสมาธิถ้าเกิดมีสมาธิแล้วอย่าไปแตะต้องเด็ดขาด ที่เขาสอนกันว่าทำจิตให้เป็นสมาธิชานิชำนานแล้วยกจิตขึ้นสู่การพิจารณาวิปัสนาสอนผิดหมดทั้งเพลเลยในเมื่อจิตสงบแล้วพอเราน้อมจิตได้เราไปน้อมจิตไปพิจารณาสมาธิมันก็ถอนมันก็ได้แค่ความคิดวิปัสสนึกธรรมดาวิปัสนาที่เราเอาศัยวิปัสสนึกเป็นแนวนำพอจิตสงบลงเป็นสมาธิแล้ว จิตอาจทิ้งอารมณ์เดิมที่เราพิจารณาอยู่แล้วไปหาอารมณ์ใหม่ขึ้นมาปรุงแต่งขึ้นมาเองซึ่งมันก็เป็นความคิดธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่ในเมื่อมันสร้างความคิดขึ้นมาเมื่อไหร่สติมันก็ควบคุมดูแลกำกับไปตลอดเวลาอันนี้เรียกว่าจิตเดินวิปัสสนาเป็นภาคปฏิบัติทีนี้พอไปไปแล้วจิตมันหยุดกึกลงนิ่งและบางทีมันไหวตัวพึบออ สิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันเกิดปัญญาในสมาธิซึ่งมันจะเกิดขึ้นมาเองของมัน